กุศลทั้งหลายนะถ้าเรามีสติแล้วกุศลทั้งหลายถึงมีโอกาสเกิดอย่างพอมีสตินะก็เกิดฮิริโอตตะปะหมายถึงกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราก็รู้ทันนะเราละอายที่จะทํากรรมชั่วเพราะเราเห็นกิเลสแล้วมองเห็นนะเห็นความน่าเกลียดของตัวเองอย่างพวกเราพอนาเราเห็นกิเลสเราเยอะแยะเลยน่าเกลียดเรารู้สึกลายใจบางคนโมโหเลยไม่ใช่ละอาย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 เพราะถ้าไม่สำรวมแล้วอกุศลมันจะครอบ ง, งำจิตสำรวมก็คือการมีสติรู้ทันนั่นเองมันสำรวมอัตโนมัติเลยนี่พอมีความสำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะศีลมันก็จะดีขึ้นมาเกิดศีลมมาจากสติทั้งนั้นเลยเมื่อมีศีลแล้วใจเราไม่คลุกคลีในความชั่วร้ายทั้งหลายใจก็สงบง่ายใจตั้งมั่นง่ายมีสมาธิขึ้นมา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 พูดออกมาได้ไปสมมูิบัญญ well ัติออกมาได้ก็ปลูกแต่งทั้งนั้นแหละเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติให้ยากเกินจริงเราชอบวาดภาพวาการปฏิบัติต้องทําอะไรที่เหนือมนุษย์ยากยากต้องทำมานานๆลมลุกลุกคลานนานๆเมื่อวันหนึ่งอย่าบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ทํำมิปัสสนากรรมฐานในยากแค่ไหนก็ไม่บรรลุหรอก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 เราฝึกตัเอให้เกิดสติสติเป็นความระลึกได้อย่าผิดคิดนะว่าสติแปลว่ากําหนดคนรุ่นหลังแปลผิดนี่หลังๆหลว ง, งพ่อชักบวดหัวขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะพวกที่ชอบไปเข้ากรรมฐานกําหนดกําหนดมานะสามวันเจ็ดวันเลยบางคนสามวันสติแตกมาแนะเมื่อวานก็มีหอบฮิ้วกันมาวันนนทิตย์ก่อนก็มีพระมาพระก็เป็นกําหนดมากเลยนะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย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 มีเหมือนกันละแก้ตั้งหลายปีนะบางทีกําหนดไปเรื่อยมีอยู่คนหูแว่วแว่วแว่ ว, ว, วมาเรื่อยๆกันนี้ตั้งแต่เมืองการนะหูแว่วได้ยินตลอดเวลาเลยบางคนก็ยกไปทั้งตัวนะคอเครียดหลังเครียดบางคนสติแตกเป็นบ้าเนื่องภาวนาผิดๆนะภาวนาไม่มีสติภาวนาไปกําหนดเอากําหนดไปว่ากดไปว่าขมขมไม่มากบังคับไม่มากจิตใจก็เครียด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 ธรรมะจริงๆต้องง่ายจำไว้นะเ<ม>พราะประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อก็คือมันง่ายนะการปฏิบัติน่ะไม่ยากทนะ่านไม่ได้ว่าง่ายนะารรมะมันไม่ยากนะ <c oughs> การปฏิบัติน่ะไม่ยากนี่ประโยคแรกเลยที่ท่านพูดกับหลวงพอ่อท่านกลัวเราปฏิบัติยาก <c oughs> ปฏิบัติแบบยุ่งยากซับซ้อนครูบาอจารย์ทุกๆองเลยองคไหนองค์ไหนเข้าไปเรียนกับท่านนะท่านบอกง่ายง่ายทุกองเลยมันง่ายนะมันง่ายนะ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 อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะนะบางคนก็เติมสิ่งที่พระเจ้าสอนขึ้นไปอีกเยอะแยะเลยว่าทําอย่างนี้เราจะดีทําอย่างนี้ต้องดีหายใจธรรมดาไม่ดีหรอกต้องมีสติรู้ตั้งแต่ลมกระทบจมอยปากลมกระทบปลายจมูกลมกระทบเพดานเข้าไปอยู่ที่เพดานแนะลมกระทบที่คอลมกระทบที่หน้าอกลมกระทบที่ท้องเนี่ยรู้ลมกระทบตรงนัน้นตรงนี้เพระพุทธเจ้าเคยสอนไหมบอกภิกษุทั้งหลาย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 กุฏิก่าวกับมนต์ตกก็ห่างกันไม่กี่เมตรมองเห็นกันกลางคืนนะเราก็เห็นท่านเดินจงกรมเราไม่กล้านอนนะท่านเดินทั้งคืนเลยเดินเรื่อยเลยโอ้หลวงปู่ผมวงหลวงปู่ยังไม่ยอมนอนสักทีเราก็ไม่กล้านอนนะนักปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ยังไม่นอนเลยไม่รีบไปนอนนะเสร็จแล้วท่านเดินเดินโอ้เราเต็มประดาแล้วก็นั่งไปอ่ท่านนอนเราก็ดีใจเราก็รีบนอนบ้าง หนาวจัดเลยนะตีหนึ่งกว่าความนหนาวมากก็ตื่นพี่อุ้ยหลวงปู่เดินอีกล้วนะมองไปในมนดบท่านมันเป็นกระจกอะมองทะลุเข้าไปได้เดินเห็นท่านเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใจมันเกิดสงสัยขึ้นมาเออหลวงปู่เดินจงกรมเนี่ยเดินท่าไหนเนะี่ยใจมันเ u e s t i o ขึ้นมานะนึกในใจถามท่านนะหลวงปู่ท่เดินจงกรมเขาเดินกันท่าไหนต้องอย่างนี้รู้เปล่าเรื้อจะไว้ข้างหลังดีนี่เรามีอยู่สองท่าท้านน่ะถ้าไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังนะ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 ถ้าเข้าฌานแล้วเป็นจิตสิกขานะพวกฤาษีชีไฟก็เกิดปัญญาหมดละเพราะถ้ามีสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดฤาษีชีไฟจะบรรลุพระอราหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจิตสิกขาไม่ได้ตื่นแค่ว่าเข้าฌานจิตสิกขาเราเรียนจนกระทั่งเราเข้าใจลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลที่จะใช้ทําสมถะและใช้ทํำวิปัสสนาไม่เหมือนกันพอจิตเจะไตั้งมั่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเนะี่ยถึงจะไปเจริญปัญญาสิกขา ใชบทเรียนที่สามศีลสิกขาจิตสิกขาบทสุดท้ายคือปัญญาศิกขามีสติรู้รูปน้ำนะรูปที่กําลังปรากฏนามที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆอนี่รู้ก็ไม่เหมือนกันนะเวลารู้รูปนะมีสติรู้รูปที่กําลังปรากฏแต่รู้นามที่เพิ่งดับไปสดสร้อนๆอนด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตจะไม่ไหลเข้าไปจิตจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากโดยที่ไม่ได้ประคองไว้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 รักษายากนะถ้ามากมากกว่านี้คงไม่ไหวอ่ะวันๆจะกลายเป็นเปิดโรงพยาบาลนะ้เดี๋ยวสารน่าสุขมันจะว่าเราเปิดโรงบานบ้าแข่งกับหมอเรื่องเรียนให้ดีนะเราจะได้ไม่บ้าเรียนให้ดีนะจะได้มรรคผลนิพพานจะได้มีความสุขพราวาสก็ทําได้มรรคผลนิพพา น, นไม่ใช่ว่าเหลือวิสัยเอาเชิญไปทานข้าวเกินเวลานิดหน่อย